<BS> วันนี้เป็นตอนเรื่องของสมาสมาธิจะเป็นตอนที่สองของสมาสม <BS> าธิอาจจะเป็นตอนที่สิบเอ็ดใช่ไหมตอนนี้เป็นพ อ, <ช>พอร์ตแคสตอนที่สิบเอ็ดแล้วใช่ครับอตอนที่สิบเอ็ดแล้วก็จะเป็นตอนที่สองของสมาสมาธิ <BS> ครับอืมก็วันนี้ล่าสุดคือมีคําถามจากคุณ ท, ท่านท่านท่านผู้ฟังนะครับที่คุณมณีเนตรจะเขากัด<ม> <BS> จะสักถามตรงนี้เลยดีไหมครับใช่ได้เลยถามได้เลยครับคือคุณมณนนิเนตรถามว่าในกรณีที่คนที่มีสติแล้วไม่มีสมาธินะครับแล้วก็อีกอีกกรณีหนึ่งก็คื อ, อคนที่มีสมาธิแต่ไม่มีสตินะครับคือจริงๆคุณม น, นีเนตรก็ยกตัวอย่างขึ้นมามทีนี้แกก็ก็ยกมาว่าเอ๊ะอย่างนี้ แสดงว่าการเจริญองค์มากเนี่ยมันไม่ได้เจริญขึ้นพร้อมๆกันอย่างนี้ไม่ทรับคือพระพอาจารย์พอจะค่อยๆ อ, อธิบายได้ไหมครับก็รู้สึกว่าคราวที่แล้วรเราได้ถามาได้ได้คุยให้ฟังว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยแต่ไม่มีสตินั่นก็คือคนที่ลุ่มหลงในสมาธิเรียกว่ า, าติดสุขในสมาธิว่าอย่างนั้นเถอะอย่างเช่นพวกฤๅษีอะไรต่างๆ อ, อ๋อฤๅษีครับในขณะที่คนที่มีสมาธิแต่มีสติแต่ไม่มีสมาธิเนี่ย ก็คือมีสติเห็นเกิดดับแต่ยังไม่สามารถอยู่ในสมาธินั้นได้นานอันนี้ ừ ừ ừ ừ ที่เขาพูดมาทีนี้ถามว่าเอาแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ า, าคนที่เจริญมรรคทั้งเจ็ดองค์เนี่ยนะคือตั้งแต่สมาธิฐิ ถ, ถึงสมาสมาถึงสมา ส, สตินะแวดล้อมจิตอันเป็นหนึ่งอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิเอาแล้วมันทํำไมมาด้วยกันได้ในขณะที่สติกับสมาธินี่เป็นเหมือนแยกกันใช่ครับก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับ คำตอบตรงนี้ก็คือว่าสมาธิอันไหนนี่ที่ปร า, าสากักปราจสักสตินะอันนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธินะอ๋อเป็นมิจฉาสมาธิไหมครับอ่าก็ยังไม่เป็นสัมมาสมาธิอเพราะว่ายังไม่มีถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจะนำไปสู่มิจฉาสังกปะไปเรื่อยๆเลยจนถึงมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเขายังมีความเห็นว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการเห็นเกิดดับฉันไม่ต้องการรฉันต้องการไปเทวดา อย่างเี้นะฉันต้องการมีอํานาจอย่างนี้นะแสดงว่าทิฐิของเขาเนี่ยยังเป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะนําพาเป็นไปฝั่งมิจฉาทั้งหมดเลยอมิจฉาสมาธิได้มิจฉามักทำหมดทั้งหมดจิตจิตมีกำลังไหมอาจจะมีมีแต่เป็นมิจฉาสมาธิออันนี้เป็นไปได้นะครับคือมุ่งสู่เป้าหมายที่ผิดใช่ไหมครับถูกต้องหรือว่าไม่ไม่ไม่ไม่มุ่งสู่ทางที่ถูกต้องอ้าวก็ยังเยังเคยพูดกันไปว่าคนที่จะขโมยกระเป๋าอย่างเงี้ย นักล้วงกระเป๋าเขาต้องเพ่งจิตอย่างเต็มที่เลยนะต้องมีสมาธิมากก่อนจะมือยื่นมือออกไปชกเข้ามาเนี่ยต้องมีสมาธิสูงแต่สมาธิของเขาตรงนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิถูกต้อง ค, อครับเพราะว่าเขาขโมยผิดศีลเนื่องจากมีมิจฉาทิฐินามามทีนี้ประเด็นว่าคนที่มีสมาธิแต่ไม่มีสติเนี่ยสมาธิตรงนี้ไม่ใช่สมาสมาธิละครับเพราะขาดสติ คนที่มีสติแต่ไม่มีสมาธิเนี่ยก็คืออย่างเช่นคุณมีสติในนิวรณ์ห้าได้อืมใช่ครับนิวรณ์ห้าจิตฟุง้งซ่านจิตก่อนที่เราจะละความอากุศลทั้งหลายแหล่ได้คุณต้องมีสติก่อนนะสติที่เกิดขึ้นตรงนี้ปราศจากสมาธิเพราะจิตยังฟุง้งซ่านอยู่จิตยังมีนิวร์อยู่จิตยังมีหลายหาอย่างอยู่ก็ยังไม่สามารถเข้าสมาธิได้อันนี้ชัดเจนว่าเป็นแยกกันอยู่ ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่มันแวดล้อมกันหมดนั่นแหละนั่นแหละจึงจะเป็นสมาธิครับถ้าสติกับสมาธิมาคู่กันนะสมาธิในที่นี้ต้องพูดนิดหนึ่งว่าถ้ามีสมาธิอย่างไม่มีสติเนี่ยก็คือยังไม่ใช่สมาสมาธิเต็มร้อยต้องมีสมาธิพร้อมกับสติอ่านี่จึงจะเป็นสมาธิเต็มร้อยอ่าอย่างนี้ครับใช้คาว่ามีสติกากับควบคู่กันใช่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 ความเครียดแล้วอันนี้พอดีเราก็ค้างกันไว้ว่าเอ้ความเครียดมันก็จะเกิดอะไรต่อหรือว่าจะหนทางแก้ไขก็เลยอยากจะคุยกันต่อประเด็นนี้นะว่าอย่างเรื่องของความเครียดเนี่ยก็เป็นต้นเหตุมาจากนิวรนี่แหละครับนิวรเนี่ยจะทําให้เราเครียดคือเวลาเราอย่างความเครียดมีอะไรบ้างหล่ะมรดกต่ผงเช่นเช่นเครียดเรื่องงานเอา้าใช่การไปทํางานแล้วเครียด คนคที่จะเครียดเรื่องงานเนี่ยนะเขาก็จะต้องมีความอยากมากเกินไปหรือไม่ก็ไม่พอใจเพื่อนุ่มงานรนะหรือไม่ก็ตัวเองก็ขี้เกียจไม่ทางานจนกระทั่งถึงเวลาจนสุดท้ายละก็งานไม่สำเร็จก็ต้องมารีบต้องอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตก็ไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบมากน้อยของนิวรณทั้ง5้าเนี่ยไม่เท่ากัน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 ซึ่งซึ่งอกุศลเนี่ยอกุศล <c oughs> 3อยา่างทางกายวาจาใจเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารของนิวรณ์อ๋อซึ่งพอนิวรณ์มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตก็ไม่บริสุทธิ์ก็มีความเครียดพอจิตมีความเครียดเนี่ยคือความเครียดเนี่ยเป็นสับสมัยใหม่ไงครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ความเครียดเนี่ยเป็นสับสมัยใหม่ที่พระพุทธเจ้าได้คือพูดถึงรากของความเครียดเลยอ้าคือนิวรณ์ ที่น <Okay, S 1> ิวรอรมันโตขึ้นไม่ได้เนี่ก็เพราะว่าอากุสนสามอย่างกาว่าจากใจครับอคุศนสามอย่างที่มันโตขึ้นมาได้นี่ก็เพราะว่ามันมาจากอาการที่ไม่มีการปิดกั้น C, อินทรีย์อไม่มีการสํารสมอินทรีย์ครั บ, รบการที่เราไม่ได้สํารวมอินทรีย์หรือสํารสมอินทรีย์ไม่ได้เนี่ยเพราะไม่มีสติอืครับไม่มีสตินี่ก็เพราะว่าไม่มีความอฮิริโอตปะคือความกลัวและความละอายต่อ บ, บาป ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เลยนะครับแล้วเพราะวต้องมีความกลัวความลายต่อบาสมาก่อนคัอน<ล><ม>นี้เป็นเหนตุปัก่อนใช่ถึงจะมีสติมีสติแล้วก็จะมีความกลัวความลายต่อบาปมีความกลัวความลายต่อบาปแล้วก็จะมีการสำรวมอินทรีย์มีการสำรวมอินทรีย์ C, แล้วก็อกุศลสาอย่างก็เกิดไม่ได้อกุศลสาอย่างเกิดไม่ได้ก็นิวรนก็ไม่มีคซึ่งตรงเนี้ยคือความเครียดอื ม, อม เดี๋ยวขออนุญาตทบทวนอีกนิดนึงตรงนี้รู้สึกโอ้โหเ ป, เป็นอะไรที่รู้สึกจะได้ใช้ประโยชน์ต้องเริ่มจากสติก่อนถูกไหมครับสติก่อนแล้วก็จะมาถึงฮิลิโอตปะคือความเกงเกรงกลัวและละอายใจต่อบาปาความลว ก, กลัวและความละอายต่อบาปบแล้วก็มาถึงกายอากุศลก็จะมาถึงความกลัวความละอายต่อบาปก็คือจะมาถึงส่วนต่อไปก็คือการสามารถสัรวมินทรีได้ อ๋ออินซีอยสังวรสรุปอินซีแล้วก็ต่อไปก็จะมาถึงว่าถ้าเราสามารถสรุมอินรีแล้วกายวาจาใจก็บริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์ครับก็นิวรณก็จะดับไปนิวรณ์ก็ดับโดยอัตโนมัติจริงๆกระบวนการพวกนี้เร็วมากเลยนะครับเป็นเรียกว่าโด่ยวินาที เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเองไม่ได้อ่พูดถึงเรื่องความเครียดนะไปก่อนีนซ่ซึ่งซึ่งอะตมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะความเครียดเนี่ยมันอยู่ที่จิตใช่ครับมันอยู่ที่จิตแล้วก็ทำให้ร่างกายมีผลอตอบสนองอ่า<ร>ไม่เหมือน <ผล S 1> กันกซึ่งซึ่งตรงเนี้ยทำให้เราต้องมาแก้ที่มาดูที่ว่าเอ๊ะจิตตรงไหนนะที่ว่าเปรียบเสมือนสนิมของจิตนะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรื่องของนิวร์เอาไว้ ซึ่เนีจะทำไม่จิตไม่มีกําลังจิตซึ่มกําลังแล้วก็เป็นต้นต่อของพวกนี้มาทั้งหมดครับผมเคยจําได้ว่าเคยอ่านว่า่านิวรณ์ห้าเป็นอาหารของอวิชชาถูกต้องไหมครับท่านถูกต้องใช่ไหมครับก็พอนิวรณ์ห้าเนี่ยก็ที่ไล่กันไปไล่กันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือต่อไปเนี่ยพอนิวรณ์ห้าดับแล้วเนี่ยวิชาก็จะเกิดขึ้นได้อ๋อครับ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 ปัญญาในพระเจ้าเปรียบเหมือนกับมีดที่ไว้ตัดอวิชารากของตัญหาคืออวิชชาให้ขาดไดมมม้มีคำหนึ่งที่บอกว่าการตัดเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสอย่างนี้ได้ไหมครับท่านปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสครับใช่ครับแหมจริงๆพออวิชชาปั๊บก็นึกถึงปฏิจจสมุปบาท น, นะฮะต้น ต้นทานของปฏิจจสมุปบาท<ช>ครับก็ตรงนี้ก็เหมือนกันก็วา่าเวลาที่สมาธิอย่างนี้นะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของเหตุของสมาธินก็คือว่าคุณต้องมีากายเนี่ยดด ค, คือคือจิตจะมีสมาธิมากหรือน้อยอยู่ที่ความสุขเราวัดกันที่ความสุข happiness ถ้าคุณแฮ ppy มากความความสมาธิก็มาก แต่แต่ความสุขตรงนี้นะไม่ใช่ความสุขที่คุณดื่มได้นะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในอ๋ออันนั้นจะเป็นสุขะเวทนาใช่ไหมครับที่อยู่ในหมวดของของที่เป็นสุขทุกอุเบกขาอันนั้นคือสุขะเวทนาแต่สุขที่ท่านพูดทีหลังนี่คือสุขจากสมาธิสุขภายในใช่ไหมครับสุขเนี่ยมันปรารภเหตุจากอะไรที่ที่มากําลังพูดถึงตรงนี้สุขเนี่ยปรารภเหตุถ้าเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ไม่ใช่อ๋อ แต่ถ้าเกิดจากในภายในเอออันนี้ใช่ในภายในก็คือเกิดจากอย่างสมาธิใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องครับผมก็เป็นสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งภายนอกออืไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกครับทีนี้จิตคุณจะมีสมาธิคุณต้องมีสุขใช่ไหมจะมีสุขไม่ใช่สุขทั่วๆไปนะแต่เป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งภายนอกนะจะมีสุขตรงนี้ได้ต้องมีปีติอจะมีปีติได้ต้องมีปราโมทครับอาจะมีปราโมท ได้ต้องมีความไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจจ ะ, จะมีความไม่ร้อนใจได้คุณต้องมีศีลอ๋อครับพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าศีลไม่บริบูรณ์เนี่ยก็จะมีความความร้อนใจพอมีความร้อนใจก็จปีติสุขอะไรหาไม่มีไม่ไม่มีไม่ไมีสมาธิ<อ>ไม่เกิดปัญญาไม่ได้เรืองอย่างนี้นะครับครั บ, รบอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งไหมครั บ, รบท่านที่บอกว่าเออเราจะต้องรักษาศีลให้ให้บริสุทธิ์ก่อน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 เมื่อฝนตกบนภูเขาเนี่ยลําธารน้อยๆเต็มแล้วห้วยห้วยหนองบึงก็เต็มห้วยหนองบึงเต็มแล้วแม่น้ําน้อยๆก็จะเต็มแม่น้ําน้อยๆเต็มแล้วแม่น้ำใหญ่ๆก็เต็มแม่น้ำใหญ่ๆเต็มแล้วทะเลก็เต็มขึ้นมาได้าเพระฉะนั้นคือความบริบูรณ์เนี่ยต้องมีด้วยบริสุทธิ์บริบูรณ์นะอย่างสมมติเราเอาขวดน้ำหนึ่งจุดหลิตรมาอย่างเงี้ยคุณใส่น้ําบริสุทธิ์ลงไปเลยสามหยดมันก็มีแค่สามหยดเี่ราต้องการลิตรขึ้นนอก็ยังยังไม่ยังไม่เต็ม อ่าแต่บริสุทธิ์อยู่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเต็มมากเต็มน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรโส<อ>ดาบันใช่ไหมพระเจ้าบอกทำศีลให้บริบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณอันนี้คุณเป็นโสดาบันคุณต้องการอนาคามีใช่ไหมศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาพอประมาณอันนี้คุณเป็นอนาคามีอนาคามีอ่าแต่ถ้าอรหัน ศีลต้องบริบูรณ์สมาธิต้องบริบูรณ์ปัญญาต้องบริบูรณ์บริบูรณ์คือเต็มนะครับอเพราะฉะนั้นอินทรีห้าเต็มศีล ส, สมาธิปัญญาเต็มอันนี้คุณเป็นพระอาารันต์ได้อทุกอย่างต้องสมบูรณ์หมดค่ถูกต้องทีงนี้ว่าอย่างกรณีนี้เรากําลังคุยถึงเรื่องสมาธิอยู่ใช่ครับรว่าอย่างนิวรณ์ห้าเนี่ยอที่ได้พูดถึงว่าเป็นอะไรความเครียดที่เกิดขึ้นในจิตของเราอย่างเงี้ยนะ เป็นผลที่ทำให้กระบวนการทางร่างกายมีปัญหาอะไรต่างต่าง้มีภาษาลังก็เขามีอะไรนะ a n g เก m a n a g e m e เ t นะใกล้เข้คุยกันปลอบประโลมอะไรต่างนานะครับซึ่งตรงนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ต้องพึ่งภายนอกต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายต้องพึ่งคนอื่น ใช่ครับต้องพึ่งภายนอกแต่แต่ถ้าเรารู้ถึงกระบวนการตรงนี้นะหมอเด็ต่องเราจะรู้รึเปล่าโอ้จริงๆความเครียดไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่เราถ้าสมมุติว่าอาตมาบอกว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้ทําให้คุณเครียดคนอื่นเขาก็เจอเหตุการณ์เดียวกันนะอ่มเอเศรษฐกิจไม่ดีคุณเครียดเหรอคนหนึ่งเศรษฐกิจดีไหมเศรษฐกิจมันทั่วโลกนะใช่ครับทัเหมือนกันเหตุเหมือนกันทําไมคนหนึ่งเครียดอีกคนหนึ่งโอเค ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ภายนอกของเราแผมปัญหามอยู่ที่ตัวคุณถ้านายกอนายกอบอกว่านายกอเนี่ยคุณไม่ชอบนายกอถ้านายขอเห็นนายกอนะนายขอก็ต้องไม่ชอบนายกอด้วยถ้าปัญหาอยู่ที่นายกอใช่ครับแต่พราะปัญหาอยู่ที่คุณถึงทำให้นายขอเนี่ยเห็นบางทีอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบไม่ได้อยู่ที่นายกอแต่อยู่ที่ตัวคุณใช่ครับ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 สันไว้สันครอนไปตามเหตุภายนอกหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ๆ อ, อ, อืมแมพูดถึงตอนนี้อ่าต้องการจะเชื่อมโยงกับวิกฤตภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นยังไงครับอืมเป็นยังไงล่ะคือเท่าที่ดูท่าทีของชาวญี่ปุ่นเนี่ยอ่าความเขาเขามีเขามีความเรียกว่ามีสติแล้วก็มีอ่าความเขาเรียกความเยือกเย็นอย่างนี้ไหมครับอืม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 เมื่อเราประสบความเสื่อมลาภประสบภัยพิบัติเพราะโรคเพราะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณไม่กราฟกราเฟียดกระด้านกระเดื่องแสดงความกรธความขัดเือนความไม่พอใจให้ปรากฏเนี่ยอ๋อคุณมีกําลังจิตอ่ะอย่างที่สองไม่ร้องไห้คล่งครุณทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้คลั่งเพลอถ้าไม่เป็นอย่างนี้2อย่างนะแสดงว่าคุณมีกําลังจิตสูงแสดงว่าชาวญี่ปุ่นนี้มีอํานาจจิตสูงนะครับเขาต้องได้รับการฝึกมา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 พุทธวจนะก็ไม่มีแยกลทัทธิใช่ไหมครับท่านไม่มีนิกายไม่มีลทัทธิก็คือเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมครับอืมมันก็ต้องที น, นี้จะพูดถึงเรื่องนิวร์อีกนิดหนึ่งนะว่าพระเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบนิวร์คืออ่ากามชันทะคือความอยากครับกามชันทะความอยากเนี่ยถ้าคุณมีความอยากเมื่อไหร่เนี่ยนะเหมือนคุณไปกู้หนี้เขามาก่อนยังไม่มีนะเรายังไม่มีนะคนไม่มีเงินเนี่ยคุณไปกู้มาใช้ก่อน มันเครียดนะครับคุณเป็นหนี้ธนาคารแล้วตัวเองไม่มีเงินใช้แคชฟลูร์กระแสเงินสดก็น้อยมันเครียดทั้งนี้ดอกเบี้ยอีกครับอทั้งเพราะฉะนั้นคนที่คนที่เขายังไม่มีแต่อยากนั่นะเหมือนไปกู้หนี้เขาเลยเครียดอย่าทำครับอย่าอยากอย่าอยากเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเปรียบเทียบกับตรงนี้แหวดีมากเห็นภาพเลยเห็นภาพชัดเจนครับตรงตรงกับชีวิต ของคนไม่น้อย ใ, ในเมือแล้วก็ประการที่2ก็คือเรื่องของเขาเรียก <c oughs> ความพยาบาท ค, บคนที่พยาบาทเนี่ยคือมันร้อนอยู่ในจิตแ<ช>มันไม่มีทางสบายบตัวสบายกายสบายใจมันถูกเหมือนถูกเผาอยู่ตลอดเวลาวันเ <c oughs> ช้า ก, ก็เปรียบเทียบกับคนป่วยกําลังน้อยอาหารไม่ย่อยอย่างนี้นะอันที่3ก็คือพูดถึงเรื่องคนขี้เกียจขี้ขขคลานง่วงตลอดไปทางนี้ก็ง่วงไปทางนั้นก็ง่วง มันถูกขังอยู hmm. อ่ถูกขังอยู่ในความง่วงทำอะไรก็ไม่ได้จะเดินไปลงนี้หน่อยอ๋อเดี๋ยวนอนดีกว่าถูกขังอยู่ด้วยความง่วงครับเหมือนคนติดเรือนจําไปไหนไม่สะดวก hmm. แล้วก็ใช่ประการที่สี่ก็คือเรื่องของความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยคือเวลาเราฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็จะฟุ้งไปตามความคิดบ้างใช่ไหมใช่ครับฟุ้งไปต า, ตามตาหูจมูกลิ้นกาย ใช่ไหมก็จะฟุ้งไปตามอายตนะต่างๆเห็นตาก็คิดถึงอันนี้เห็นหูก็คิดถึงนั้นไปตามหูก็คือเป็นธาตของเขาถูกพวกนี้ฉุดดึงไปตลอดอไปตามอำเภอใจไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเดี๋ยวคนนี้ก็ดึงไปเดี๋ยวคนนั้นก็ดึงไปเดี๋ยวหูก็ดึงไปเดี๋ยวจระเข้ลิงนกสุนัขกิ๊กจดึงไปหมดใช่ดึงไปพวกนี้ดึงไปก็คุณก็เป็นธาตของเขาพระรุจ้าจึงเปรียบเทียบแหมสวยงามมากนะแล้วสุดท้ายเรื่องของ คนที่มีวิสิกรฉาเนี่ยิจฉา ก, สสกังวลตลอดใสกังวลนะมันเป็นความไม่สบายใจเหมือนคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋านี่มีมีทรัพย์ข้ามทางกันดารเราไม่รู้เลยว่าโจรมันจะบุกมาเมื่อไหร่นะมันกังวลอยู่ตลอดเวลานเนี่ยคือลักษณะเดียวกันครับอ่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นภยัยไหมเห็นภยัยไหมเราจะพบว่าโอโ้โหพวกนี้เป็นภัยจริงๆคอไ อ, ไอเรื่องว่าเดี๋ยวกลัวถูกโจรมาป้น เป็นทาสเขาถูกจำคุกปว่วยหนักแล้วก็ยังไปกู้หนี้มาเนี่ยเหมือนเป็นพวกนี้โอ้โหนโโหี่ถ้าถ้าใครมีครบทั้งห้านี่มันเรียกว่ามหันตะทุกเลยนะครับใช่ไม่มีทางหลุดออกไปได้เลยใช่ครับ <c oughs> คือเป็นจิตที่จะไม่อ่อนโยนควรแก่การงานไม่ไม่ไม่มีกำลังเลยอ่ะว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับถูกฉุดลั่งด้วยทุกทั้งปวงโอ้โดีนี่ว่านานี้มัน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 ปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งก็คือความเครียดแบบว่าแล้วคนคนปัจจุบันนี่ก็จมอยู่กับตรงนี้มากๆเลยนะครับใช่ใช่ครับแก้ง่ายๆเลยคือสมาธิครับใช้สมาธิแก้ทายัางไงจิตถึงจะเข้าสู่สมาธิได้ได้เร็วได้ไวได้ง่ายได้อย่างชำนาญค ล, ล่องอย่างนี้เรื่องความเครียดจะไม่มีเออได้เคยอ่านบทความของนิตยสารไทม์แมกีน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 คือบางเราบางทีเรานั่งสมาธิเนี่ยนะหลับ<ช>ตายอยู่ใช่ไหมเอาแบบเป็นรูปแบบหน่อยนะพอลืมตาพุ่งขึ้นมานี่เรายัางอยู่ในสมาธิเรา อ, ออกตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้ อ, อันนี้ไม่ได้ต้องฉลาดในการเข้าในการดำรงอยู่ในการออกถึงแม้เขาะตีระครังเลิกแล้วรรหรือว่าลุกออกจากที่นั่งแล้วคุณต้องสามารถดำรงอยู่ในสมาธิได้ ให้มันเชื่อมโยงกันอย่างนั้นในทุกอิรียบทอย่างนั้นไหมครับให้มันดำรงอยู่ได้ตลอดไงถ้าเป็นคือว้อจะเรืมตาใช่หรือว่าลุกขึ้นเดินให้ชำนาญว่างั้นเถอะบางคนบอกว่าโอ้ฉันทำเวลาขับรถไม่ได้หรอกอย่างนี้นะใช่ครับหรือถ้าเรายกตัวอย่างเนี่ยเมื่อก่อนที่เรียนขับรถใหม่ๆเนี่ยเกียร์ธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นนะใช่ครับ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 ปากรึ้งกับคนข้างๆ้ๆดูกระจกสามบาททุกอย่างทําพร้อมกันหมดได้ใช่ครับแล้วเรงตรงนี้เพราะว่าอาศัยความชํานาญเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยความชํานาญตรงนี้อย่างรพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ต่างๆที่อยู่ตามป่าตามเขาที่อยู่ในที่หลีกเลนเนี่ยท่านชํานาญในเรื่องวาระสิทธิ์ของตัวเอง อ, อยู่ในที่หลีกเลนเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยสามารถทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อท่านที่ต้องการฝึกจิตตรงนี้ให้มีอํานาจเหนือจิต ไม่ให้จิตมีอำนาจเหนือเรารซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเหมือนกับฝึกจักรยานฝึกว่ายนะ้ำฝึกอย่างเงี้ยมันต้องฝึกพรุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องของอถ้าอยู่เป็นที่เนี่ยนะคนอยู่เป็นที่เนี่ยจะแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้วเรื่องพวกนี้จะแตกฉานช่ำชองจะบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลนะุความรู้ความเรียนต่างมันก็จะรู้เห็นขึ้นมาได้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 นะรพระวัดบวรคุณจะถือทุดดงควัดข้อฉันมือเดียวก็ได้ครนะพระ อ, อยู่วัดสามพระยาอ ย, อยู่ที่วัดนั่นแหละอยู่ในเมืองเลยไม่จะเป็นต้องออกป่านะคุณคจะถือข้อวัดในการถือผ้าสามผืนก็ได้ถือทุดดงควัตดในการถือผ้าสามผืนก็ได้ครับนะแต่ที่ประเด็นที่ครูบาอาจารย์เคยพูดถึงว่ า, าไปออกทุดดงเที่ยวทุดดงเนี่ยหมายท่านอาจจะหมายกับว่าอย่างนี้คุณเดินทางไปนะไปที่ที่หนึ่งแล้วก็ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันทําได้ยากตรงนี้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 รเราก็คงจะมีรายละเอียดเท่านี้ ร, รายละเอียดคือคือเรื่องสีนสมาธิปัญญาเนี่ยพูดตลอดชีวิตอาตมา ก, ก็ไม่จบใช่ครับผมคิดว่ามีไวยาที่มากมายเลยเพราะฉะนั้นเราได้รวบรวมประเด็นของตั้งแต่เรื่องของสัมมาสมาธิอสมาธิที่จนถึงสมาสมาธิตรงนี้ขมวดเรื่องสมาสมาธิจบไปที่ตรงนี้แล้วตอนตอนหน้าในตอนที่สิบเอ็ดเนี่ยตอนที่12บสองเราจะมาสรุป เรื่องของมรแปดว่ามีกระบวนการอะไรอย่างไงอีกเที่จะเป็นการสรุปในบทของเรื่องมรแปดเอาไว้ทีนี้ว่าถ้าท่านผู้ฟังเนาะมีคำถามก็ตอนนี้เปิดแล้วคำถามเต็มที่ละการใช้งานมรแป8การเอามรแปดไปใช้ในชีวิตประจาวันอะไรต่างๆาอย่างนี้จะได้ได้ประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าอย่างกรณีของอริยมรองคปดเนี่ยโอ้จะเป็นอะไรที่